ลืมง่ายแต่เหตุการณ์ที่ไม่ดีจะจําได้แม่นเวลาใครชมร้อนนี่ก็ไม่ค่อยได้จําเท่าไหร่แต่ถ้าใครด่าเรานี่จะจําแม่นใครให้เงินเราจําไม่ค่อยได้นะแต่ถ้าเงินหายนี้โอ้อยติดตึงใจไปนานเวลามีสุขภาพดีก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีคุณค่าแต่เราจะจําแม่นเวลาเจ็บเวลาป่วยทําไมเราถึงเห็นแต่ความทุกข์ได้ชัดเจนแต่ความสุขไม่ค่อยเห็น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 บางครั้งเนี่ยความสุขก็มาในลักษณะที่ง่ายๆพอเราลองเปลี่ยนลองหลุดออกไปจากวิถีชีวิตเดิมๆ เ, เนี่ย <c oughs> เราจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรามีนี่มันเป็นความสุขแค่ไหนที่นี่ทุกปีเนี่ยเราจะเดินธรรมยาตราประมาณพฤทจิตธนวาเดินกันไปโ <c oughs> ดยเท้าจากหมู่บ้านไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นเวลาเจ็ดคืนแดวันเพื่อ เชิญชวนให้คนตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมก็จัดมา7ปีได้แล้วก็เดินกลางแดด ก, กันเช้าบ้างกลางวันบ้างไม่ต้องมีล่มอะไรทั้งสิ้ <Philadelphia. S 2> น, นแกกน ห, ล, นะนหนแ ล, ะละเดินเงินแดดก็ร้อนบางทีก็สามฤดูเลยฝนบ้างหนาวบ้างและเวลาเดินแดดร้อนๆนี่เราจะรู้เลยว่าโการที่ได้อยู่ใต้ร่มเงาแม้เพียงแค่สัก5นาทีนี่เป็นความสุข แต่ก่ไม่ค่ยเห็นคุณค่าของร่มเงานะนั่งรถผ่านไปก็ไม่ได้สนใจแต่พอเราได้มาใช้ชีวิตแบบนั้นเรียกว่านอนกลางดิงกินกลางสาย mm hmm. ก็จะทราบซึ้งเห็นคุณค่าว่าของร่มเงาแล้วก็รู้สึกว่าไอ้การที่เราได้อยู่ในร่มเงาเนี่มันก็เป็นสุขแล้วลองได้ไปอยู่กลางแดดสักครึ่งชั่วโมงถึงจะรู้สึกเลยว่าไอ้การได้มีโอกาสอยู่ในร่มเงาเนี่มันเป็นความสุขอย่างไรบ้าง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 ไม่ได้อยู่กับครอบครัวต้องไดที่มีครอบครัวที่น่ารักโมทำงานเต็มที่ปรากฏว่าเพราะความการที่ทำงานหนักเพื่อหาเงินก็เลยป่วยตั้งใจว่าจะทำงาน2ีสิบปีทำได้แค่สิบปีก็ทำไม่ได้แล้วก็เป็นนว่างเงินก็หาไม่ได้เท่าที่ต้องการแล้วก็ไม่มีเวลาเหลือที่จะใช้ชีวิตเขาก็บอกเสียดายไม่มีเวลาที่จะใช้ชีวิตทางดที่ถ้าได้ใช้ชีวิตอย่างที่เขามี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 ไม่ใช่การทรมานตนแต่บางทีการปฏิบัติของเรามันกลายเป็นการทรมานตนไม่ใช่ทรมานด้วยการที่กินอาหารมื้อเดียวหรือว่าสองมื้อแทนที่เป็นสมื้อไม่ใช่แต่หมายถึงการที่เราทำด้วยความหน้าดําคล้าเครียดทา้งทั้งที่การปฏิบัติเนี่ยมันทําด้วยใจที่สบายหลวงพ่อเจียงก็เน้นอยู่บ่อยๆให้ทําเล่นๆอย่าทําด้วยความอยากทํำด้วยความอยากมันจะเพ่งในเพ่งที่เท้าบางทีมือบ้างเพ่งที่ความคิดบ้าง แล้วก็จะเครียดไปในที่สุดทาแล้วก็จะหงุดหงิดว่าคุมความคิดไม่ได้สักทีโมโหบางคนโมโหตัวเองถึงกับเอารองเท้าตบตีหัวตัวเองว่าทำไมมันคิดมากอย่างนั้นปฏิบัติไปก็กล่าว่าไม่มีความก้าวหน้าเลยนะบางทีเป็นพร่อเราไปมองความก้าวหน้าหรือความสำเร็จอีกแบบหนึ่งเหมือนกับเราปลูกมะม่วงอะ่ะแล้วคอยหวังผลที่เป็นแอปเปิ้ล มองมัวมันก็ออกลูกอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นไม่สนใจเพราะคอยหาแอปเปิลเมื่อไหร่มันจะออกมาสักทีเมื่อไหร่แอปเปิลจะออกมาสักทีเวลาเราคาดหวังอะไรสักอย่างนี่นยบางทีสิ่งที่เราคาดหวังมันไม่ตรงกับสิ่งที่เรากําลังกระทำํำอย่างปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยผลที่ออกมาคือสติในแต่ละขณะที่เรารู้ตัวสติก็จะเลยงอกงามอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นสติอะมองมเ็นสติที่กําลังงอกงามไปเห็นอะไรก็ไม่รู้เพราะไปคาดหวังว่า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 เพาะฉะนันสิ่งที่ทำก็คือว่าปรับมุมมองหรือทัศนคติเสมม้มใหม่เพราะถ้าเราไม่มองไม่เห็นเนี่ยเราจะละทิ้งสิ่งทรมีอย่างน่าเสียดายพระรูเจ้าตรัสว่าเนี่ยทาทีต่อความสุขก็คือว่าหนึ่งไม่ไม่หาทุกมาท่วมทับตนคน เ, เรานี่ชอบหาทุกมาทำร้ายตัวเองโดยเพราะการฟุ้งซ่านสิ่งไม่ดีผ่านไปแล้วยังเก็บเอามาคิดคิดแล้วก็ทุกเอง